ขอนอบน้อมบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ถาวายความเคารพและขอโอกาสหลวงตากลมอาจารย์วัฒนชัยอาจารย์สุรินอาจารย์สมใจอาจารย์ออดและเพื่อนสาธร ม, มิก จะเดินพรแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านเช้าวัวนศุกร์ที่9ตุลาคม2558ัน้อาปวันนี้อาตามาจะขอพูดถึงเรื่องพระนิพพาน และพระพุทธเจ้าและในวันนี้มีความตั้งใจไว้ว่าพร้อมกับความหวังไว้ว่าการพูดในวันนี้ท่านจะได้รู้ได้เข้าใจได้เห็นพระนิพพานพระพุทธเจ้าและจะพยายามพูด ให้มีพระนิพพานและพระพุทธเจ้าได้อยู่กับท่านทั้งหลายด้วยทีนี้อาตมาจะขอพูดว่าคำว่านิพพานเนี่ยคืออะไรก่อนนิพพานนี้ ถ้าพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็คือเย็นหรือความเย็นทีนี้ถ้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจก็คือว่าจิตใจที่เป็นปกติคือจิตใจที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขจิตใจปกติเพราะการที่จิตใจเป็นทุกข์เป็นสุขนั้น ไม่ได้จิตเป็นไม่ได้เป็นจิตใจที่เป็นปกติหรือเป็นจิตใจที่สงบทีนี้การถ้าเมื่อใดจิตใจของเราไม่เกิดกิเลสไม่มีความทุกข์ขณะนั้นจิตใจของเราก็จะสัมผัสหรืออยู่กับ ระนิพพานและอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยทีนี้จะพูดคำว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้มีสองความหมายองค์หนึ่งเรียกว่าเป็นบุคคลแต่อีกองค์หนึ่งคือองค์ธรรม ซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้จัดสอนเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตคือเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมนั่นหมายถึงว่าอ๋อเดี๋ยวขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง แม้จะจับชายจีวรของพระองค์ก็ยังไม่ถือว่าเห็นพระองค์นั่นคือท่าพระองค์หนึ่งของพระเจ้านั่นก็คือพระองค์ธรรมจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเห็นปฏิจัสมบุบาทนี้พอจะเข้าใจคำว่า นิพพานหรือพระนิพพานหรือพระพุทธเจ้าแล้วขอย้ำอีกทีหนึ่งถ้าเมื่อใดจิตของบุคคลใดไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ไม่มีความสุขแต่เป็นจิตใจที่สงบปกติ หรือจะพูดต่อว่านิ่งว่างเฉยหรือเย็นนั่นแหละจิตใจของผู้นั้นขณะนั้นได้สัมผัสหรืออยู่กับหรือถึงกับพระนิพพานแล้วถึงกับพระพุทธเจ้าแล้วแล้วเรื่องธรรมชาติของชีวิตเนี่ย ธรรมชาติให้มาทั้งความทุกข์ความสุขและนิพพานมาแล้วในตัวอย่างอัตโนมัติแต่ก็เป็นสิ่งที่รู้ยากเห็นยากเหมือนกันว่าธรรมชาติให้มาจริงๆหรือเปล่าเพราะจิตใจของเราโดยทั่วไปแล้วเราจะไปรู้ไปเห็น ในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะธรรมารุมหรือว่าเห็นแต่ทุกข์กับสุขส่วนพระนิพพานนั้นจะไม่เห็นกันเพราะเป็นของละเอียดอ่อนมากและรูปเห็นได้ยากด้วยนอกจากว่ามีพระพุทธเจ้ามาบอกเท่านั้น และก็มีคนมาบอกต่อคนที่มาบอกต่อ น, นั้นอาจจะเห็นมาด้วยตนเองแล้วจึงมาบอกต่อหรือเห็นด้วยมาจากตรรรามาแล้วก็มาบอกต่อแต่อย่างไรก็แล้วแต่เพราะคำพูดเพราะการบอกต่อ น, นั้นก็ต้องบอกด้วยคำพู ด, ดเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าผู้พูดนั้นจะรู้รเห็นด้วยตนเองหรือไม่ข้อสำคัญว่า เมื่อพูดออกไปแล้วตรงกับที่พระพุทธเจ้าพูดก็เป็นอนวุวาตใช้ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าผู้พูดนั้นจะรู้จริงหรือไม่รู้จริงครับเนี่ยเท่าที่พูดมาถึงขนาดเนี้ยไม่ทราบว่าใครบ้าง ที่บางขณะที่ขณะที่อาตมาพูดมาถึงจุดเนี้ยที่จิตใจของใครก็ตามที่เป็นปกติและไม่มีความทุกเกิดขึ้นเลยก็แสดงว่าขณะนั้นจิตของท่านก็อยู่กับพระนิพพานอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้ว ซึ่งคิดว่าคงน่าจะมีกันบ้างหรืออาจจะมีทั้งหมดแล้วก็ได้ทีนี้อ๋ อ, อเดี๋ยวขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคำว่าเรื่องพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมเลยนะเมื่อกี้พูดกล้ามไปขอย้อนไปนิดหนึ่งคำว่าเห็น ป, ฏ, ป, ฏ, ปฏิบัติแล้วทีนี้ที่อาตมาพูดมาเนี่ยก็ไม่ได้ชี้ให้ รู้ว่าปฏิจุบาติอย่างไรเมื่อไม่เห็นปฏิจจบาทแล้วเห็นพระเจ้าได้อย่างไระปฏิจจบาตนั้นถ้ารู้ขั้นสุดท้ายของปฏิปฏิจจบาตแล้วคือจะรู้เห็นว่าทุกเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างไรทุกนีดับลงได้อย่างไรและถ้ารู้แล้วก็หมายถึงว่าถ้ารู้ถึงที่สุดรู้เต็มที่แล้ว ก็จะบรรลุนิพพานเป็นพระพจ้าแต่ถ้ายังไม่รู้เห็นกันเต็มที่สุดอาจจะลดลงมาตามส่วนของพระเจ้าเช่นพระโสดาบันพระสิกธาคามีพระอนาคไยเป็นต้นแต่การพูดนี้จะผัวพูดสั้นๆตัดรวบรัดไปเอาจะขอพูดนิดหนึ่งเรื่องว่าปฏิบัติ้าสมบูรณ์แบบว่าอย่างไง นั้นก็คือเริ่มต้นจากอวิชชาสังขารวิญญาณนำมารูปชาญลัตตาชาลายะชาลายะนะชาลาจำจำไม่ค่อยได้ชาลาตะนะผัสสะเวตนาตันหาอุปทานพบชาติชารามรณะโศกะปาริเทวะ ทุกโทมานัทอุปยาสะนั่นแหะคือทุกไม่พูดว่าเป็นปัจจัยปัจใจเดียวจะเสียเวลามากเลยพูดัสั้นแล้วถ้าเห็นที่สุดนั้นก็คือพระนิพพานนั้นก็เลยแล้วก็เห็นพระเจ้าดึงไม่ต้องอธิบายเพราะไม่มีเวลาที่จะพูดอย่างนั้นถ้าเห็นที่สุดเราเห็นพระเจ้านั้นก็คือเราเอา้นไปเลยเห็นพระพเจ้ากันเลย พูดองคุณของพระเจ้ากันเลยพระเมื่อใดใครที่มีจิตใจสะอาดสว่างสงบรู้ตื่นบานหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์อยู่ในใจนั่นแหละเป็นองคุณของพระเจ้าจิตใจของผู้นั้นก็สัมผัสกับพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเมื่อดใดจิตใจเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาพระเจ้าก็ออกไปทันทีหายไปทันทีรวมถึงพระนิพพานด้วยและถ้าเมื่อท่านเชื่อเราว่าเห็นว่าเป็นอย่างนี้จริงๆว่าพระนิพพานน่ยแต่ว่าพระนิพพานอันนี้ขอบอกว่าเป็นพระนิพพานหรือนิพพานชั่วคราวชั่วขณะ หรือนิพพานบังเอิญไม่ใช่นิพพานที่ว่าทาวรเหมือนอย่างนิพพานชนิดที่ว่าสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นอวิชากันแล้วอันนั้นเป็นนิพพานทาวรตัหลดไปนิพพานอย่างนี้เราไม่ได้ทาอะไรเลยธรรมชาติให้เองแต่เพียงที่ว่าถ้าไม่มีคนมาบอกก็ไม่รู้ไม่เห็นเมื่อรู้เห็นว่า พระนิพพานอยู่กับจิตใจของเราแล้วเป็นการง่ายที่เราจะทําพระนิพพานชั่วคราวอันเนี้ยซึ่งพระนิพพานอันนี้หรือนิพพานอันนี้มีรถอันเดียวกับพระนิพพานแทนทีนี้ว่าพูดาอย่างนี้แล้วรถของพระนิพพานมีด้วยเหรอ เพราะการพูดถึงเรื่องธรรมะสภาวะธรรมจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดให้เห็นตัวจริงได้เพราะตัวจริงถ้าเอามาพูดมันพูดไม่ได้เพียงแต่เป็นคำพูดเพื่อเป็นตัวแทนองค์จริงเท่าที่พูดกันได้เช่นพูดว่าเกลือเค็มหรือพริกเผ็ดอย่างเนี้ยมันอธิบายเป็นคำพูดยากนอกจากผู้นั้น ไปกินเกลือหรือไปกินพริกเองก็จะรู้นั้นสิ่งที่พูดคือไม่ใช่พระนิพพานหรือพระเจ้าแต่เป็นคําพูดเพื่อจะได้ไปถึงจุดอันนั้นหรือว่าเป็นทางเพื่อไปถึงและเมื่อไปถึงแล้วก็จะรู้เองเห็นเองแล้วทีนี้ก็มาพูดกันซึ่งบางทีก็ไปรู้เองไปเห็นเองสภาพธรรมเหมือนกันอย่างเดียวกันเลยแต่พูด ไม่เหมือนกันทตนี้ก็ขึ้นอยู่กับคาพูดว่าจะพูดกันว่ายอย่างไรหรือใช้คำศัพท์กันอย่างไรคับทีนี้ที่ว่าอาตามาพูดไปว่านิพพานช่วคราวหรือนิพพานชิมลองนิพพานตัวอย่างมีรสอย่างเดียวกันนั้นคือรสที่ไม่เป็นทุกข์นั่นแหละหรือว่าเย็นเหมือนกัน แล้วถ้าใครทาสมาธิได้ถึงรูปฌานที่สคือจตุตาฌานอันนั้นจะเห็นรสของพรนิพพานได้อย่างนานตามที่ต้องการเพราะถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วอาจจะนานเป็นสิบนาทีสามิบนาทีเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงก็ได้ แล้วก็มาเทียบกันระหว่างตัวระวางที่อยู่ในรูปฌานที่สี่นั้นกับนิพพานบังเอิญ น, นี้เพราะคนถ้าไปบัตรไปถึงจุดตรงนั้นแล้วก็ต้องผ่านนิพพานตัวอย่างนี้ไปไปแล้วแล้วก็เทียบกันได้เลยว่ามีรถเดียวกันคือรถที่ไม่เป็นทุกข์นั่นแหละรถเย็นรถที่มันไม่มีกิเลสแต่ถ้า รูปฌานที่หนึ่งรูปฌานที่สองรูปฌานที่สามมันยังไม่ชัดเพราะเหตุว่านยังมีองค์ธรรมอื่นๆมีมีอยู่เราจะพูดไปถึงรูปฌานที่สาม ก, ก็แล้วกันในรูปฌานที่สามมันยังมีสุขอยู่ซึ่งสุขกับที่พูดไว้แล้วว่าไม่ใช่นิพพานเพราะยังไม่สงบ ยังไม่ปกติแต่พอเข้าไปรูปฌานที่4ี่แล้วสุขก็ไม่มีมีแต่ความเป็นปกติมีแต่ความว่างของจิตสงบอยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นถึงอารูปฌานก็เหมือนกันมันก็เป็นปกติอย่างยิ่งเิ็งแต่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ชัดไปความรูปฌานที่สี่แล้วครับแล้วที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมา ก็เพื่อต้องการที่ให้รู้จักพระนิพพานรู้จักกับพระพเจ้าที่อยู่กับเนื้อกับตัวและก็จะเป็นการง่ายต่อการที่จะทำนิพพานถาวรนิพพานตลอดไปที่ว่าทินกิเลสสิ้นตัณหาอย่างถาวรกับทีนี้เอาละ่ะอาตมาจะขอพูดถึงว่าจะปฏิบัติอย่างไร เพื่อจะให้จะได้รักษานิพพานช่วคราวอันนี้ไว้ให้มันยาวนานที่สุดและปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดพระนิพพานที่เรียกว่าถาวรกันซึ่งอันนี้หลักการปฏิบัติสำหรับที่วัดป่าสุกโตปฏิบัติเรื่องการ สร้างจังหวะคือการยกมือ14จังหวะและดานและเดินจงกรมให้มีความรู้สึกตัวกันอย่าไปหลงซึ่งขณะที่เราปฏิบัติยกมือกันอยู่เนี่ยใน14จังหวะเนี้ยจะมีสภาวธรรมที่เป็นขันห้ามีอยู่คือมีรูปมีเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณอยู่ด้วยแล้วก็ไปบัติไปก็จะไปรู้ไปเห็นเห็นกันชัดๆเลยอตาตมาไม่ต้องพูดถึงว่ารูปเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณเป็นอย่างไรไม่ต้องพูดคิดว่าทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วเพราะจะเวลามาจํากัดจะเห็นอย่างเนี้ยเมื่อเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเนี่ย เอาเช่นว่าถ้าเห็นความเป็นอนิจจงเนี่ยคือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเนี่ยจิตก็จะเคารพเชื่อฟังไปปฏิตามตามอนิจจ์ถ้าเห็นทุกครั้งก็จะเชื่อเคารพเรื่องทุกขังถ้าเรื่องอนัตตาก็เคารพเชื่อฟังความเป็นอนัตอนัตตาแล้วถ้า ปฏิบัติไปถึงขั้นอนัตตากันแล้วไปรู้เห็นสภาวธรรมที่เป็นอนัตตาที่ความไม่เป็นตัวตนความไม่เป็นเราไม่เป็นของเราแล้วเมื่อนั้นน่นนะถ้าขั้นแรกก็จะบรรลุเรียกว่าระดับโสดาบันเพราะไปรู้ไปเห็นว่ากายเนี่ยไม่ได้เป็นของเราแต่ว่าถ้าในตัวหนังสือเขียนว่าสักกายะทิฏฐิแต่ความหมายที่แท้จริงแล้ว ไม่ใช่กายอย่างเดียวรวมถึงใจด้วยไปรู้ไปเห็นว่ากายเนี่ยจิตเนี่ยไม่ได้เป็นเราไม่เป็นของเราและอาตมาขอพูดเพิ่มไปนิดว่ารู้ถึงว่ากายจิตเนี่ยไม่ได้เป็นของกายไม่ได้เป็นของจิตด้วยแล้วถามว่าเป็นของใครอะหาเจ้าของไม่เจอแล้วเลยก็บอกว่าเป็นของธรรมชาติก็แล้วกันเป็นาธาตุเป็นธรรมชาติไปอย่างนั้น ทีนี้เดินจงกรมก็เหมือนกันในการที่เราเดินจงกรมนั้นจากการทําความรู้สึกตัวเนี่ยจะพูดความรู้สึกตัวก็จริงนะแต่หมายถึงว่ารู้สึกทั้งกายเรอรู้ครบขันห้าก็แล้วกันแล้วถ้าเมื่อเรารู้จักพระนิพพานหรือพระพุทธเจ้าแล้วคนนั้นเห็นพระนิพพานไปด้วยเลยเดินจงกรมกับพระนิพพานเดินจงกรมกับพระพุทธเจ้ากันไปด้วยเลยแล้วถ้าเรา มีพระพเจ้าอยู่อย่างนี้กับตัวแล้วนี่นะพระพุทธเจ้าจะสอนเราจะบอกเราเทศให้เราฟังเรียกว่าเต็มที่เต็มอัตราศึกยิ่งมาอยู่ที่วัดปาชุกโตนะอยู่ใต้โคนต้นไม้อยู่อย่างนี้แต่ว่าแต่อยู่กุฏิไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะธรรมชาติ เพรทุกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดครัพระเจ้าก็เป็นธรรมชาติจะสแสดงธรรมเทศธรรมให้เห็นกันอย่างมากเลยเต็มที่ก็แล้วกันน่ะว่ากันอย่างนั้นครับทีนี้อันนี้กรณีที่ว่าฏปบัติเพื่อให้เห็นขันห้าเป็นใจรักษณ์แล้วก็ถอนความรู้สึกว่า ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราและไม่ได้เป็นของขันห้าด้วยแต่เป็นของธรรมชาติล้วนๆที่เป็นไปตามเหตุตามปั จ, จัยทีนี้ปฏิบัติอันหนึ่งเห็นด้วยการเป็นธรรมชาติล้วนๆเผื่อว่าใครถนัดในการบัดอย่างนี้คือหมายถึงว่าชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยธรรมชาติให้เกิดมานั่นคือธรรมชาติให้ชีวิต แล้วการทำงานของร่างกายและจิตใจธรรมชาติเป็นผู้ทำให้ทั้งนั้นไม่มีเราเข้าไปตรงไหนไม่มีเลยแล้วการที่มีชีวิตยอยู่ได้ก็อาศัยธรรมชาติล้วนๆเหมือนกันไม่มีอาศัยเราตรงไหนเลยอันนี้นจากเวลาสั้นมากขอพูดไว้อย่างนี้นั่นคือเห็นว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆและอันนี้ก็มีคำสั่งสอนของเจ้าไว้ด้วย ว่ามีแต่ธรรมชาติลว้วนๆเท่านั้นแหละที่เป็นไปแล้วเป็นไปตามปัจจัยมีแต่ธรรมชาติลว้วนๆเท่านั้นแหละที่มีอยู่หรือเป็นไปอันนี้มีคําสอนไว้ชัดเจนนี่กรณีเห็นเป็นธรรมชาติล้วนๆเมื่อเป็นธรรมชาติล้วนๆนี้ก็เราก็พ้นเกิดแก่เจ็บเจ็บตายไม่เกี่ยวกับข้องกับเราแล้วเพราะไม่มีเรามีแต่ธรรมชาติก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เป็นไป แล้วกรณีหนึ่งเห็นด้วยความเป็นธาตุอันนี้ถ้าใครเรื่องถนัดเรื่องธาตุก็จะดีมากอยู่เหมือนกันแล้วก็มีบทสวดอยู่มีเหมือนกันที่บทสวดให้เห็นว่ายาเครื่องอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและบุคคลผู้ใช้สอยสิ่งเหล่านี้บริโภคสิ่งเหล่านี้ เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติที่เป็นเหตุตามปัจจัยเท่านั้นพูดถึงว่าไม่ใช่ชีวิตเอาด้วยโดยบทสวดนี้ถ้าเคยไปิบัติตามบทสวดนี้ถ้าจะดิจองบทสวดนี้จะดีมากๆเลยเพราะอะไรก็เป็นเรื่องของธาตุตรงนี้ว่าที่ว่าเป็นธาตุเป็นธรรมชาติหมายความว่าอย่างไงคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเป็นเอง โดยที่ไม่มีใครไปทำํำนอกจากธรรมชาติก็ทําขาเองเกิดขึ้นเองเห็นด้วยความเป็นธาตุเพราะนั้นเมื่อเห็นความเป็นธาตุมันก็ไม่เป็นเราอ่ะมีแต่ธ า, าตุธาตุธาตุทั้งนั้นเมื่ออย่างเนี้ยที่อาตมาพูดนี้อาตมาก็ธาตุโยมพูกฟังก็ธาตุหรือทุกท่านที่อยู่นี่ก็เป็นธาตุเสียงก็เป็นธาตุแล้วก็ธาตุธาตุทั้งนั้นมีแต่ธาตุเท่านั้นมีแต่ธรรมชาติหรือว่าธาตุแล้วการเป็นธาตุเป็นธรรมชาตินี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดานั้นก็เวลาอันสมควร แล้วเพราะเนื่องจากว่าจำกัดสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจแห่งคุณนธรรมมีพระพุทธพระธรรมพระสง์และผลบุญผลกุศลผลธรรมที่ เราได้ปฏิบัติกันมาแล้วแล้วที่จะปฏิบัติกันต่อไปได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลให้เราทุกคนได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเทิน